หรือการดำรงตนอย่างถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้เป็นผู้สมควรแก่การได้ปัจจัยบารุงเลี้ยงชีวิตด้วยเช่นการที่พระภิกษุดำรงตนอยู่ในสมณธรรมแล้วได้รับปัจจัยสีที่ชาวบ้านถวายก็เป็นสัมมาชีพของพระภิกษุหรือการที่ลูกประพฤตตนเป็นลูกที่ดีสมควรแก่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็พึงนับเป็นสัมมาชีพของลูก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 ขอโภชนะอันประนีตหรือแม้แต่กับข้าวหรือข้าวสุกมาเพื่อตนเองล้าฉันก็เป็นวิบัติแห่งอาชีวะเอาธรรมะมาทำเป็นดังสินค้าก็ผิดจรยาบรล น, นักบวชแม้แต่เพียงแสดงธรรมโดยคิดให้เขาชอบแล้วอาจได้อะไรอะไรก็เป็นธรรมเทศนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือเพียงแต่การให้ของเขามีลักษณะเป็นการให้ค่าตอบแทน